ปฏิมายยังราคินการนินทาไม่ใช่ของใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เขาประพฤติกันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วคนนั่งนิ่งเขาก็นินทาว่าทำไมเจ้าคนนี้จึงนั่งนิ่งเหมือนคนใบ้คนพูดมากเขาก็นินทาว่าทำไมเจ้าหมอหนี่จึงพูดตลอดเวลาไม่มีหยุดปากเลยปากยังก็หุนชักยน แม้คนพูดพอประมาณเขาก็นินทาวะ่ะทำไมเจ้าคนนี้จึงสําคัญวะคำพูดของตนเหมือนทองคำเรื่องเงินพูดคำสองคำก่อนิ่งเสียแผ่นดินก็ดีพระอาทิตย์และพระจันทร์ก็ดีคนก็อย่างนินทาแม้พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าผู้เพียบพร้อมด้วยคุณงามความดีคนก็อย่างนินทา คนไม่ถูกนินทาไม่เคยมีมาจักไม่มีต่อไปถึงในขณะนี้ก็ไม่มีอั น, นินทากาเรเหมือนเทซ่วมถ้ารวบรวมรับไว้ย่อมได้เหม็นหากไม่รับกลับหายคลายประเด็นย้อนไปเหม็นปากเน่า ของเาเาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ขวัญใจโลกคนยังโขกยังสับงับเยงเยงถมน้ำลายรถฟ้าดาบเลงใครจะเก่งเกินลิ้นคนนินทาภาสุสิ่งของที่เราได้มาถ้าเป็นของดีมีประโยชน์เราก็เก็บเอาไว้ใช้ ถ้าเป็นของเสียไรยประโยชน์ที่เรียกกันว่าขยะเราก็ทิ้งไปไม่เก็บไว้เพราะทำให้บ้านรกปรุงรังไม่เป็นระเบียบไม่สะอาดคำพูดต่างๆก็เช่นกันถ้าเป็นคำพูดที่ดีมีประโยชน์เราก็รับฟังและจดจำไว้ส่วนคำพูดที่เสียไรยประโยชน์นั้นก็ไม่ต้องไปจดจำไม่ต้องเก็บไว้ให้ทิ้งไปเสียเหมือนทิ้งขยะคานินทาจัดเป็นคาพูดประเภทขยะ เป็นคำพูดที่เน่าเสียไม่มีประโยชน์ไม่มีใครอยากได้ยินได้ฟังแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะเป็นของคู่โลกใครๆก็ถูกนินทากันทั้งนั้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงถูกติดฉินนินทา ม, มาแล้วแม่องค์พระปฏิมาซึ่งเป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนพระองค์เป็นของที่ไม่มีชีวิตจิตใจก็ยังไม่พ้น ก, การนินทาไปได้ดังนั้น เป็นธรรมดาอยู่เองที่เราก็ต้องถูกนินทาเช่นกันจึงไม่ควรโกรธเคืองหรือเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อถูกนินทาอันนินทากาเรเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้องค์พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้น คนนินทาคำพูดเป็นเพียงลมปากเมื่อพูดแล้วคลื่นเสียงก็จางหายไปในอากาศไม่อาจทิ่มแทงหรือทำอันตรายร่างกายเราได้เมื่สายลม อ, อ, อ่อนที่พัดมาต้องร่างกายเราแล้วจางหายไปคำพูดที่เขานินทาเรานั้นได้จางหายไปในอากาศหมดแล้วดับศูนย์ไปนานแล้ว ไม่มีร่องรอยหลงเหลืออยู่อีกแล้วเหตุไฉ น, นจึงเก็บเอาสิ่งที่ว่างเปล่าไร้ตัวไร้ตนที่ล่วงไปนานแล้วมาคิดให้รกใจร้อนใจทุกใจประเปล่าทำไมาการกระทำอย่างนี้โง่หรือฉลาดกันแน่